Thank oh. you. س ب ح ا الله الرحمن الرحيم อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادئ له وشر ولا إله إلا الله و ح د لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمشينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله تعالى ما تمنشري ما خلق أعوذ بكلمات الله ل ا الله ل ت ا الل م ا ت من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا ا ل l a م u m m a inni a u ن u b i k a min al kasl wa suil kibri Rabb a'uzubika min adabim fil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาตจะมาในเวลา subuh ที่รักทั้งหลายกระเบนฮมดลิลา เราขอบคุณอัลลอุบฮานฮูวตาลาที่อัลลอให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และได้มีโอกาสได้ถือซึ้ออดวันนี้เป็นวันแรกด้วยความเมตตาของอัลลอุบฮานฮูวตาลาเราตื่นนอนตั้งแต่ก่อนอาจารย์แล้วก็ตื่นมาทานอาหารสะฮูดแล้วก็อยู่นามาตแล้วก็ นั่งอ่านอลัลกุรอานจากสูรต์ตอฮาเพียงแปดอายะเท่านั้นเพราะสู ร, มร์มัตยามก่อนหน้าสุรต์ตอฮาเนี่ยเราได้ทบทวนให้ความหมายบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราขอบคุณอัลลอ์นะเราได้ อ่านกรุรอานแล้วก็แปลอัลกุรอานอธิบายกรุรอานปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบแล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้แค่ยี่สิบสุรอัลฮัมดุรินละสูรอะตอฮาเนี่นะคำว่าตอฮานี่ไม่มีใครรู้ว่าแปลว่าอะไรเวลาเราอ่านเช่นอัลิฟลามี คำว่าอลิฟลามีมไม่รู้วแปลว่าอะไรมีคนอธิบายกันเยอะแต่ที่ถูกต้องก็คือว َاللَّهُ อ่ลัมอลล้อสงรู้ดียิ่งขอบคุณอลล้อสุบาหาหลัววะตาลาที่เราได้มีโอกาสได้อ่านอัลกุราณทบทวนอัลกูรานนะครับแล้วเราไม่นอนไม่นอนตอนเวลานำะมาสุบร์เพราะอะไร พอมีอยู่วันหนึ่งท่านนาบีเองเนี่ยเข้าไปเยี่ยมบ้านลูกสาวลูกสาวของท่านนาบีชื่อฟาติมาเราก็เรียกให้เกียรติท่านหญิงฟาติมาเราดีอัลลอฮฺวันอันฮะพอเข้าไปในบ้านท่านหญิงฟาติมาปรากฏว่าลูกสาวนาบีเนี่ยกำลังนอนอยู่นบีในฐานะเป็นพ่อเป็นพ่อด้วยเป็นนบีด้วยเป็นครูด้วย ตำแหน่งของนบีมีครบเป็นนบีด้วยเป็นอิหมามด้วยเป็นครูด้วยเป็นพ่อด้วยเป็นผู้นำด้วยเป็นลีดเดอร์ด้วยเรียกได้หมดนบีใช้ความนิ่มนวลตลอดไม่เคยแข็งกร้าวกับใครนบีบุกลูกสาวโดยเอาเท้าเขีย่ยพี่น้องหลายคนอาจจะงงๆวาเอ๊ะทำไมใช้เท้าเท้ากับมือเท่าเท่ากัน แต่วัฒนธรรมไทยเนี่ยใครชชยเท้าเนี่ยแย่มีเรื่องแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยเท้าเป็นของธรรมดาเหมือนการคนไทยเนี่ยถือใครจับหัวเนี่ยไม่ได้ในอินเดียใครจับก้นมีเรื่องเอามือถูกก้นมีมีปัญหาเลยคนไทยใครจับหัวมีปัญหาเอาละนั่นคือประเพณีชาวบ้านที่เขานับถือกันมา ท่านยบีปลุกลูกสาเอ า, ชาเช้าเถี่ยบอกลุกลุกลกกู้มีกูมีกู้มีบอกตื่นตืนตืนเพราะว่าคนที่นอนในเวลาหลังนมาสุโบเท่ากับคนนั้นน่ะไม่อยากจะรับริสกีของอวโลกเขาว่าริสกีอธิบายยังไงไม่ใช่เม็ดเงินอาหารการกินไม่ใช่นี่ความรู้จากอัลกุรอานความรู้จากสุนัขยบีก็เป็นริสกีด้วย รีสกีแปลว่าอะไรนะปัจจัยอย่างชีพที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปน บ, บี บ, บอกว่าถ้าหากลูกจะนอนก็ให้นอนหลังจากตะวันขึ้นแล้วอพอตะวันขึ้นแล้วให้นอนเพราะว่าในช่วงตั้งแต่รุ่งอรุณฟ้ายัดขึ้นเนี่ยจนกว่าตะวันจะขึ้นนั้นอัลลอฮ์แจกริสกีของอัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์ แต่ท่านใครต้องการที่จะรับริสกีของอัลลอ์ก็อย่านอนหลังจากนามาสุโบนอกจากคนป่วยอนอกจากคนป่วยนอนได้เลยแต่ถ้าไม่ป่วยยังแข็งแรงอยู่เนี่ยห้ามนอนนะครับก็ขอให้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ด้วยนะครับขอบคุณอัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลาเมื่อกี้นี้ผมอ่านดูอาให้ท่านพี่น้องฟังเป็นดูอาตอนเช้าเามีอยู่วากหนึ่งตอนสุดท้าย อัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามินาลกาซัลฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้อะไรขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดีไหมไม่มีใครชอบเลยขี้เกียจฉันั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าเป็นคนขี้เกียจอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามินซูอิลกีบาริอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเวลาแก่ชาราแล้ว อายุ60แล้วเจแล้วเนี่ยหลงดีไหมไม่ดีตอนแก่ชาราเนี่ยอยาให้อะไรมาเลยมิตรของดีๆแก่ชาราแล้วก็นั่งแกผ้าอยู่ริมถนนเด็กไปมาเห็นหัวเราะเอาไหมไม่มีใครเอาฉะนั้นแก่แล้วต้องแก่แบบมีคุณภาพแก่แล้วนั่งอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดแก่แล้วมา น, นั่งฟังตับซิ แกแล้วอรอวัดซื้อหวยมันดีตรงไหนมันสง่างามตรงไหนแก่แล้วยังทําความชั่วอยู่อีกยังอ้ออยังมีกิกอยู่อีกมาทำทําไมชีวิตแก่แล้วต้องอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยดีที่สุดนะวาสูอิลกีบริรอบบีอาอูดูบีกามินอาดาบิมฟินนาริวาดาบิมฟิลกบรีฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษ ที่ที่ไฟนรกทําไมเอ่ยไฟก่อนล่ะและนรกมาทีหลังเพราะนรกนะ่ะมันหนักกว่ากุบโบขอความคุ้มครองจอากอัลลอ์ให้พ้นจากการลงโทษที่ไหนนะที่ไฟนรกและที่สุสานของหนักพูดก่อนของเบาพูดทีหลังใครสอนนบีมุฮัมมัดสุลสลันอุสซลามสอนวันนี้เรามา ดูซุรต่อฮาต่อฮ า, านี่แปลว่าอะไรนะไม่มีใครรู้นะครับแต่บางท่านแปลว่ายาอยุลแปลว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยบุรุษเอ๋ยแต่อัลลอฮ์เท่านั้ น, นที่สองรูรู้ความหมายที่แท้จริงของอักษรยอร่อนี้และมีอักษรยอร่ออื่นๆในกุรานไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น ما أنزلنا َ عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكيرة لمن يخشى ت ن ز ي ل ลั م ิมั่น خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش س توا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت อ้าด oh, ูคาแปลนะครับมาอันซัลนาอัไลกัลคุรานาลิตัสกออันนี้แปลว่ามาอันซัลนาแปลว่าเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาอันซัลนาอัไลกัลุรานเรามิได้ประทานอัลกุรอานลงมาแกใคร แก่นบี ม, มุ hammad อนซันนลนะอัลไลกะอัลามุ h ั m m a d เราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบี ม, มุ h ั m m a d เพื่ออะไรครับลิตัสกอเพื่อให้ ม, หมุ h ั m m a d นั้นยุ่งยากหรือว่ามนมองมีความลําบากอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบี ม, มุ h ั m m a d เพื่อทําให้นบีลําบาก ญญนะคือเป็นอย่างนี้สาเหตุที่อัลลอฮ์ลงประทานอันกลอันอาญาเนี่ยก็เรียกว่าอัสบาบุนดูซูลน่ะสาเหตุที่อัลลอฮ์ลงคือเป็นอย่างงี้นะคนกาเฟนนี่นะคนกาฟิรินมุชลีกินโมนาฟิกยาฮูดีนอสรลนีอยู่รอบนบีนั้นหลายาศาสนาแ ล, นแล้วคนเหล่านี้นะ่ยจ้องมองมุฮัมมัดด้วยสายตาที่เกลียดชังแล้วเขาก็รู้ด้วยเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ย อัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีแต่เวลาเขาพูดเขาว่าอย่างนี้มุฮัมมัดอ้างตัวเป็นนบีเองไม่ได้พูดว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีหรอกอ้างว่าไงนะมุฮัมมัดอ้างตัวเองว่าเป็นนบีนบีจะทําอะไรก็ตามแต่จับผิดตลอดเวลาเหมือนกับประเทศอยู่ในประเทศอะไรนะที่มีประชากรมุสลิมน้อยที่สุดและรวยที่สุดอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ดูไบไม่ใช่ใกล้ใกลเอเชียเนี่ยที่หักออกจากมาเลเซียไปนะ่ะบรูไนประเทศบรูไนจะเอาหลักการอิสลามมาใชา้คนที่แอนตี้ใครอืมประเทศใหญ่ใญแอนตี้อย่านะอย่านะอย่าวิสลามมาเป็นหลักนะระวังนะ่าจะถูกตัดสินว่าเป็นประเทศก่อการดีหรือก่อการร้ายขู่ไว้แล้ว ศัตรูอิสลามขูไปแล้วอยา่ยาๆ ย, ายาจะตัดสินประหารชีวิตเพราะผิดหลักการอิสลามฮูคูอยา่ยาๆยไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนบีมุฮัมรรมัดสุลัยมุสลัมคิดสองเรื่องนบีนิดมากมากก็คือสองเรื่องหนึ่งกลางคืนเนี่ยนบีนจะยืนละหมาด ตอนอัลลอฮฺประทานอัลกรุรอานลงมาใหม่ๆนบีกลัวกลัวว่ากรุรอานจะลืมนบีก็อ่านเนี่ย อ, อ่านไปอ่านไปอ่านแบบไหนอ่านแบบยืนนมาศแล้วก็อ่านอ่านตั้งแต่หลังนมาศอิชาเรื่อยไปจนกระทั่งดึกอ่านจนกระทั่งยืนนมาศจนกระทั่งเท้าวบวมเรื่องเท้าวบวมเนี่ยคนใ น, นตลาดรู้หมดคนใ น, นตลาดม่ใช่มุสลิม กาเฟตมุชิกีนกาเฟรีนมุนาฟิกยยฮูดีนัสรลณีอยู่รอบๆบเนี่ยคุยกันที่ตลาดว่ามุฮัมหมัดจะแย่แล้วอัลลอฮประทานอันกุรอานลงมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้ร้อนร้อให้กับนบีมฮัมหมัดดูสิยืนนมาจงกระทางเท้าบวมดูถูกหรือว่ายกย่องให้เกียรตินบีหรือว่าดานบีดานบีไม่ใช่ชมนบีเรื่องที่สอง กลางวันกลางคืนลุกขึ้นลมากลางวันนั่งคิดนี่จะทำอย่างไรจะเอาคนเหล่านี้เนะี่ยมี إيمان ให้คนเหล่านี้มีศาสนาทําไงไม่ให้ไม่ให้คนเหล่านี้ตกนรกกลางวันคิดเรื่องนี้กลางคืนยืนนะมาดขอดุทิศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาคนศัตรูของอิสลามก็ตําหนินัลลว่านาัลลเพราะว่านาบอัลลอฮฺ Allah, ประทาอันกรอานลงมาเลย มาอัลน زلنا عليك القرآن ل ت ش ق เราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดเพื่อให้นบีมุฮัมมัดนั้นลำบาก <ت ص في ق> ฉะนั้นกุรอานไม่ใช่ประทานลงมาให้มีแต่ความลำบากอย่างที่คนกาเฟตใสไ่ไ้นยนบีพูดว่านบีตำหนินบีตามตลาดไม่ใช่ มาอันซัลานาอาลิกกับอุเราะนาลิตัสก์อัลลอฮก้อยแก้ให้เลย <c oughs> เห็นไหมอลัลลอฮปกป้องนบีไว้เลยแก้ไขแทนนบีเลยมาอันซัลนาอาลิกกับอุเรานาลิตัสกเราไม่ได้ประทานอันกุเราะลงมาให้กับท่านนบีมหฮัมมัดเพื่อสร้างความลำบากสร้างความเดือดร้อนเช่นอะไรบ้างอธิบายใหม่นบียืนนมาตลอดทั้งคืน ชาวบ้านรู้ชาวบ้านก็ว่าว่ามุมมาดแย่แล้วเท้าวบวมยืนนมาดใช่ไหมเพราะกุรอานนี่แหละเป็นเหตุทําให้นบีต้องลำบากก็เพราะกุรอานนี่แหละทําให้นบีต้องคิดในเวลากลางวันทําไงไม่ให้คนตกนรกทําไงไม่ให้คนเนี่ยอัอลลอฮ์เกียรติชังคือเป็นห่วงคนไปหมดสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านนบีอัลลอฮ์ประทานอันกรุณาปกป้องนบีบอกไม่ใช่ อายะที่สองอิลลาตัซกิรอจันลิมัยยักษะอิลลาแปลว่านอกจากกุรานไม่ใช่สร้างความลำบากให้กับมูฮัมมัดแต่เป็นตัซิกิรอจันเป็นข้อตักเตือนตัซกิรอแปลว่าข้อตักเตือนฉะนั้นกุราน ที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ให้พวกเราวันนี้ที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้เนี่ยนะไม่ใช่ประทานมาทำทําให้เราลําบากไม่ใช่แต่คุรานเป็นตัสกิรอเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจแล้วก็เป็นอีกข้อจะจะมาคืเป็นเป็นเป็นความรู้กุรานเป็นความรู้เป็นข้อเตือนใจกับใครครับลิมายักษะ กับผู้ที่เกรงกลัวอัลลอสุบฮา ا ن ه ละลานี่คืออัลลอ์ปกป้องมุสลิมทั้งหมดปกป้องนบีมุฮัมมัดทั้งหมดว่ากุรอานที่อัลลอ์ประทานลงมานั้นเป็นความรู้เป็นโน g ลอัลายหมแล้วก็เป็นทางนำแล้วก็เป็นข้อตักเตือนฉะนั้นใครที่นำอัลกุรอานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเอา้าท่องกุราอานสัอายาหนึ่งอายาไหนล่ะ ถ้เป็นคนเจ้าช่วคนเจ้าช่วต้องท่องอายานี้วลาตักรบุธธนาอย่าเข้าใกล้กันนาอรต่อไปอะไอินนาหูกา์นาฟะฮิชาตาวะาอบีลาเพราะการเจ้าชู้ด้วยการทำดีนาเนี่ยนะเป็นทางที่เลวที่สุดเป็นหนทางที่ชั่วที่สุดแคนั้นคุอ่านเป็นข้อเตือนใจ กคนที่จะชูอนุญาตนี่โอ้คุณอาจนที่สอนเราดีนะมาให้เราเข้าใกล้การศินาเข้าใกล้้ำว่าเข้าใกล้อธิบายยังไงอย่าใช้สื่อนี่นะทีวีก็ดีอย่าเอาสื่อทีวีไปสร้างให้คนทำศินาโทรศัพท์มือถือเ c e b o o k อะไรอีกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไลน์ส่งไลน์แล้วก็ส่งอะไรอีกที่อยู่ในทีวอในโทรศัพท์เต็มไปหมดนี่นะ นั่นอะอย่าเอาเป็นสื่อทําให้เราต้องไปทําซินากุรอานพูดคุมไปหมดเลยและตะกรอบุซีนาอย่าเข้ากล้าการทําซินานะฉะนั้นกุรอานไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่เป็นข้อเตือนใจแล้วก็เป็นทางนำแล้วก็เป็นคาที่ที่นำทางให้กับคนที่ลิมายอคชากับคนที่กลัวอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ ت ع แล้วอีกอย่างหนึ่งกุณอ่านนั่นกุณอ่านนี่สอนเรื่องอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่เตือนคิดถึงโลกโลกอะไรโลกอาคีรอนบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมาประมาณเท่าไหร่นะแสนสองมืกว่าท่านที่มาทั้งหมดเนี่ยนะประมาณแสนสองมืกับท่านและที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะกอภิปรุอ่านเป็นแสนที่เอ่ยชื่อมีอยู่25้า ท่านท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสุลลัลนะมุส ล, ลัมนั้นส่วนใหญ่บรรดานาบีจะมาสอนเตือนมนุษย์เนี่ยให้นึกถึงโลกอาคีร์เพราะโลกดุนยาเนี่ยครยๆก็พูดเรื่องอนโลกโลกดุนยากันหมดใช่ไหมเรื่างทีดินมีคนพูดอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องฟุตบอลโลกมีคนพูดอยู่แล้วเรื่องละครมีคนพูดแทนนบีหมดแล้วพวกเราเองก็พูดถึงดุนยาดุนยาดุนยากันหมด แต่ไม่มีใครสอนให้คนนึกถึงโลกอาคเราอไม่มีใครสอนให้นึกถึงชีวิตหลังตายไม่มีใครสอนให้นึกว่าตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบะตาลามีคนไม่กี่คนจากนั้นอัลกุรอานเล่มนี้จึงเป็นข้อเตือนใจนะครับให้กับคนที่กลัวอัลลอฮฺหวังจะไปพบกับอัลลอฮฺในโลกอาคีราอต้องอ่านอัลกุรอานนะครับ มีอีกประเด็นหนึ่งไซนาอุมัดเราดียาลออันหูเคยได้ยินชื่อใช่ไหมพี่น้องช่ยาเนี่ยดา่ดาด่าไซนาอุมัดเจอะมากเลยความจริงไม่มีศาสนาใดในโลกที่จะด่าคนเรากันเพาะมีแต่ปกป้องคนนะไซนาอุมัดเราดียาลออันหูเนี่ยรับอิสลามตอนอายุ27กํากำลังหนุ่มเลย รับอิสลามเพราะสุรุลตอฮาประมาณ8ดอาย่นี่แหละตั้งแต่หนึ่งถึง8ดอายาที่ให้เธออ่านเมื่อกี้เนี่ย8ดอาย่านี่แหละสาเหตุเป็นอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งไซดนานอุ ม, มัดเนี่ยออกออกออ ก, ออกจากบ้านแล้วก็ถือดาบถือดาบออกจากบ้านระหว่างทานก็ไปพบกับคนคนหนึ่งเป็นสหนายนบีชื่อท่านนนอาม ท่านนวอายม์นวายม์นะนวายม์เป็นอับดุลลอห์พบกักลางทางท่านนวายม์ถามบอกว่าเนี่ยอุมัดจะไปไหนเนี่ยถือดาบด้วยจะไปไหนฉันจะไปจัดการนะฉันจะไปจัดการกับคนที่ทําให้คนเนี่ยแตกแยกกันฉันจะไปจัดการกับคนที่ทําให้สังคมกูเรสแตกแยกฉันจะไปจัดการกับคนที่ทําให้คนหลง ฉันจะไปจัดการกับคนที่ทําให้พวกกูเรสเนี่ยแตกออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกับพวกเราวันนี้ที่สอนศาสนาเนี่ยชาวบ้านพูดบอกว่าโต๊ะครูนี่แหละโตะครูจานดำเนี่ยทำให้คนแตกออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกับไซนาอุมัด ต, ตอนก่อนรับอิสลามพูดภาษาเดียวกันเลยเหมือนไซนาอุมัดก่อนรับอิสลามพูดว่าไงนะฉันจะไปจัดการกับนบีมุฮัมมัดผู้ทําให้คนหลง ฉันจะไปจัดการกันกบน บ, บี ม, มูฮัมหมัดคนที่ทําให้สังคมกุเรสแตกเป็นสองกลุม่มฉันจะไปจัดการฉันจะไปจัดการกับมูฮัมหมัดคนที่ว่าตําหนิรูปบูชาจเจวต็ตฉันจะไปจัดการกับมูฮัมหมัดคนที่ไม่เอาทิ้งศาสนาปู่ย่าตายายที่เขาทํากันมาเหมือนพวกเราวันนี้ที่ดารอัลมาที่ผ่านสอนทางทีวีนะเหมือนกันเลยพูดเหมือนกัน ท่านวัยบอกว่าคุณน่ะถูกหลอกแล้วคุณน่ะถูกหลอกก่อนที่คุณจะไปจัดการกับมุขมัดที่คุณบอกว่าทําให้คนหลงทําให้พวกกุเรศแตกออกเป็นสองกลุ่มทําเป็นมุขมัดเป็นคนที่ตําหนิต่อว่าผู้ที่บูชารูปเจเวทแล้วก็ไปว่ า, าศาสนาของคุณนี่นะคุณกําลังหลงคุณไปจัดการกับคนในครอบครัวของคุณก่อนใครรู้ไหม น้องสาวของท่านอุมัดชื่อฟาติมารับอิสลามแล้วมันจะรับคนเดียวนะใครอีกคนหนึ่งสามีของของใครนะของฟาติมาก็รับอิสลามแล้วไซนาอุมารก็เปลี่ยนเลยนะ่เปลี่ยนจากไปหานาบับีหันกลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงบ้านลูกสาวน้องสาวฟาติมากับ กับสามีเนี่ยกำลังนั่งอ่านอัลกุรอานกับครูที่มาสอนกุรอานอย่าลืมนะนั่นเขารับอิสลามตอนตอนอายุแล้วนะอายุ20แล้วรับอิสลามพอรับอิสลามแล้วเขาอ่านกุรอานก่อนก็นั่งอ่านอ่านอ่านกุรอา น, อานาก็อยู่แล้วมีครูนะชื่ อ, อร้านชื่อขอบบาบเนี่่มานั่งสอนสอนกุรอานชื่ อ, อไรนะขอบบาบมานั่งสอนกุรอานที่บ้าน พอไซนาอุมัดเดินเข้าบ้านเนี่ยทั้งสามคนนี่รู้ตัวว่านี่ไซนาอุมัดมาม า, มาที่บ้านแล้วก็เขารู้ว่าอุมัดไซนาอุมัดเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะเข้มเป็นคนตัดสินเด็ดขาดตั้งก่อนรับอิสลามแล้วครูที่มาสอนกุรานพา ร, รู้ไซาานาอุมัดมาเนี่ยแอบไปหนีในห้องส่วนน้องสาวนางฟติมานี่นะเอากุร า, อานอาย่านี้นะแปดอาย่านนะ อยู่ในกระเสกอยู่ในกระดาษเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยยัดไปที่หน้าอกพอเข้ามาไซนาอุมัดถามว่าเธอกําลังอ่านอะไรกันเราก็ป่าไม่ได้อ่านฉันจะยินเนี่ยคุณอ่านมอนเตกี้เนี่เสร็จแล้วก็ไปตบน้องเขยตกตรงไหนไม่รู้เลยนะตกตกตกภรรยาก็ลุกขึ้นมาห้ามน้องสาวไซนาอุมัดขึ้นมาห้ามพอมาห้ามภาพก็ ตีน้องสาวอีกก็ต้องเลือดเนี่ยไหลพอเลือดไหลเสร็จแล้วก็มึงก็อัลลอฮ์จะเปิดใจนะใจอ่อนบอกว่าทัดทัดอิสลามแล้วน้องสาวพูดเลยนะฉันนะครับอิสลามแล้วเป็นไงเป็นกันจะตายก็ตายเพราะว่าอย่างงั้นชนะอุมะมัก็ถอดใจใช่ไหมอัลลอฮ์นี่ไปตีน้องจนกรทั้งเลือดเลือดไหลเสร็จแล้วก็ขอโทษสิคุณอ่านอะไรการมุตะกี้เนี่ย เขาบอกว่าน้องสาวก็รู้ราชนาอุาิเนี่ยใจมาทางอิสลามแล้วแหละระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าน้องสาวบอกว่าฉันเอากุรานให้คุณที่สกปกแบบนี้จับกุรานไม่ได้คุณไม่อ้ามน้ำก่อนระหว่างที่พูดอยู่นั่นครูที่สอนกุรานที่แอบอยู่ในห้องเนี่ยเดินออกมาก็บอกว่าอุมาเต๋อฉันทับอิสลามแล้ว สามคนนี่ประกาศว่าฉันรับอิสลามแล้วแล้วก็คุณก็มาทับอิสลามกับเราสิเพราะเมื่อคืนนี้ท่านขอบอาบ พ, พูดเองครูที่สอนกุรอ่านบอกว่าฉันได้ยินนบีมุฮัมมัดขออุนอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮอัลกดีมากเลยนะขอว่าไงนะอัลลอฮุมะไอยิดิลอิสลามเมื่อคืนฉันได้ยินนบีมุฮัมมัดขออุนอาว่าอย่างนี้ a l l a h อ m um m a Aidil Islam โอ้ Allah โปรดช่วยเหลือ Allah ขออัลลอฮให้ความเข้มแข็งต่ออิสลามโดยเถิดนบีเป็นห่วงศาสนานะพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันต้องห่วงศาสนาไม่ใช่ห่วงตัวห่วงศาสนาว่าศาสนาเนี่ยจะอยู่กับตัวเราไหมศาสนาอิสลามจะอยู่กับภรรยาเราไหมศาสนาอิสลามจะอยู่ในครอบครัวเราไหม อิสลามจะอยู่กับลูกสาวเราไหมลูกเขยเราไหมหลานเราไหมฉะนั้นท่านคอบ้าบอกว่าอุมัดเมื่อคืนฉันได้ยินนบลแมนขออนุอาว่าไง Allah um Islam. อัลลอฮุมะไอยิดิลอิสลามโอ้อัลลอ์โปรดสนับสนุนให้ความเข้มแข็งต่อศาสนาอัลอิสลามริยเถิดบีอะไรนะบีอบิลฮักมัอิบนนฮิชามเอาบีอุมาริบนนลขอตอบ โดยให้หนึ่งในสองคนนี้รับนับถืออลอิสลามใครให้อับูยฮันหรือไม่ก็ให้ไซนาอุมัด ร, รับอิสลามคนหนึ่งคนใดจากสองคนนี้ให้รับอิสลามโดยเถอเพราะว่าอย่างนั้นไซนาอุมัดก็เลยเข้าไปอาบน้ำพอเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาก็มามาเอาอุบานที่เขียนสุรตอฮาข้า8แปดอายะนี่เอามาอ่านอ่านวรรคแรกเท่านั้นเอง พูดว่าโอ้อะไรอย่างนี้ทำไมมันกินใจอย่างนี้อ่านอยายะเดียวนะมาอันซัลนาอะไลกัลุรอานะลิตัชโออ่านแค่อยายะเดียวถ้าเขาเป็นคนอาหรับเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจเราไม่ได้ประทานอันคุรอ่านลงมาเพื่อทำความลำบากให้กับนบีมุฮัมมัดใช่ไหม อิลตัดกิรอตไลมายาคชานอกจากกุรานั้นถูกประทานลงมาเพื่อเป็นการตักเตือนเป็นข้อตักเตือนสำหรับผู้ที่เกรงกลัวอัลลสุบฮานาหูวาตาลานี่ไซย่าไซนาอุมรัรก็ชวนกันออไปไปหามูฮัมหมัดกันก็เดินไปหานาบีมูฮัมหมัดนะไปถึงก็ไปเคาะประตู นบีกำลังประชุมกันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งระครอบประตูเสร็จแล้วก็ก็มีคนมาแอ บ, บดูไอ้คนที่มาแอ บ, บดูก็ไปรายงานให้นบีฟังมาดูความกลัวนบีครับัซนาอุมมดถือดาบมาด้วยมายืนอยู่หน้าหน้าประตูบ้านเราแปลว่าไปเปิดตอนรับพอเปิดประตูปั๊บยือเลย أشهد าอิล า, ลาห์อิลลอัลลอฮฺวะกาติาาม พอเปิดประตูต้ตอนรับพับประกาศรับอิสลามต่อหน้านาบีต่อหน้าชาว บ, บ้านนาบีนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีท่านฮามัมซาอยู่ด้วยฮมัมซาถูกเป็นลุงของท่านนาบีเพิ่งรับอัอิสลามก่อนหน้าไซนาอุมัดไม่กี่วันตั้งแต่วันนั้นมาวันที่ไซนาอุมัด ร, รับอิสลามโอ้โหทาให้อิสลามนี่มันเข้มหลายคนที่แอบนมาดฉันนมาดกลางแจ้งได้แล้วฉันไม่กลัวใครแล้วเพราะไซนาอุมัด เป็นคนเก่งคนหนึ่งและอายุเท่าไรยี่สิปีเท่านั้นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยจากอายานี้ซูรตอตฮาแค่แปดอายานี้แหละที่เปลี่ยนแปลงคนให้นับถือศาสนาอลอิสลามได้ฉะนั้นที่ชาวบ้านพูดว่าอิสลามเผยแผด่ดวยคมดาบนะจริงไหมไม่จริงอิสลามเอาดาบไปจี้คอใครให้รับอิสลามไม่มี มาอ่านกุรอ่านอ่านกุรอ่านรับอิสลามเมืีละคนละคนละคนละคนขอบคุณอัลลอ์วันนี้อิสลามอยู่ในโลกนี้ประมาณหนึ่งพันกี่ปีสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็มีประชากรรับอิสลามเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเราเนี่็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องนำอิสลามนี่ไปเผยแพ่ในนามของอัลลอ์สุลตานหูวาจาแล้ว <c oughs> อ้าวต่อมาครับ อายะที่อของความความหมายความหมายคําว่ายักชานี่ยนะดูคุรานะยักชาอิลลัตัดกิรอตัดลิมัยยักชาคุรานี่ถูกประทานลงมาเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจสําหรับใครลิมัยยักชาให้แก่ผู้ที่กลัวอัลลอฮ์คำว่ากลัวอัลลอฮ์น่ะมีอยู่ศสา์อยู่สองคำนะหนึ่ง ขช้ชยาตินละกับตักวัลลอพูดคล้ายๆกันตักวัลลอกับอะไรนะขช้ชยาตินละตัวอัลลอฮ์กับสำรวมตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาใช้กันยังไงในตัฟซิดกุดตูบีอธิบายอย่างนี้อธิบายบอกว่ามีวันหนึ่งไซเจนาอุมัดเนี่ยนะรับอิสลามมานานแล้วตอนเป็นคอลีฟ้าเนี่ยนะ ท่านยืนอยู่ที่มัสยิดนาบ awi ท่านยืนอยู่ที่มัสยิดนาบ awi ที่ที่นครมดีนาเนี่ยและมีชายชนบทคนหนึ่งเนี่ยอยู่ชนบทแต่มาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงที่นครมดีนะเป็นคนที่อ่านคัมภีร์เตาร้องมาก่อนอ่านคัมภีร์ไบเบิลมาก่อนอ่านคัมภีร์ซา บ, บูตมาก่อนคืออ่านคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้ า, าทั้งหมดมีอยู่วันหนึ่ง ชายคนนี้เนี่ยนะมายืนคู่กับไซ น, นาอุมัดที่มัสยิดนบีสุลต่านถามว่าอ้าวมาทําไมที่นี่ล่ะฉันมายืนตรงนี้ต้องการจะมารับอิสลามกับท่านเขาก็ประกาศเลยอัลชาดุอัลลออิล่าอิลลอห์ว่อัลชาดุอัลลอมุฮัมมัดอันรัสูลุลลอฮ์ฟะกาปฏิญานจบไซนาอุมัดถามบอกว่าสาเหตุที่รับอิสลามน่ะเพราะอะไร ไซนาอุมัตเรารู้เลยแมรับอิลาพอล่พอได้พราะอ่านคัมภีรอ่านใช่ไหมชายคนนี้มาหาไซนาอุมัตอีกที่มัสยิดพอมายืนคู่กับท่านแล้วบอกว่าฉันจะมารับอิสลามท่านถามว่ารับเพราะเหตุอะไรชายคนนี้ตอบบอกว่าฉันอ่านคัมภีร์ตอรอมาแล้วอินยินมาแล้วซาบุษหมดแล้วฉันตอนหลังๆเนี่ยได้ยินมุสลิมคนหนึ่งที่ถูกจับอยู่ในอยู่ในห้องขัง ฉันนั่งอยู่ข้างๆเขาฉันได้ยินเขาอ่านตัวอ่านอายะห์หนึ่งฉันประทับใจมากฉันก็เลยรับอิสลามอายะห์ไหนรู้ไหมอยายะห์นี้ว่าไม่ยุติอัลลอฮ์วะรอสูละหุวายักษ์ชัลลอห์วายัตตะกีฟาอุลัยกะหุมุลฟาอิซุนผมต้องการจะอธิบายเขาว่ายักษ์ัลลอ์นะครับ ชายคนนี้พูดว่าฉันจะยินมุสลิมคนหนึ่งที่ถูกถูกจับติดคุกเขาอ่านคัมอีร์ในคุกฉันนั่งอยู่ริมคุกฉันจะยินเขาอา่านกุมอีร์ประทับใจมากอายะห์เดียวที่เขาอา่านว่ามายุติอัลลอฮ์วะรัสูละฮ์วยักษัลลอฮ์วยตติกเฝอลาอกะฮุลฟาอิลุนฉันได้รับยุติธรรมเพราะอายะห์นี้อา้าวอธิบายยังไง เขาบอกว่าเรื่องนี้อายานี้มีอยู่สีเรื่องด้วยกันฉะนั้นมุสลิมคนใดถ้าเข้าใจสีเรื่องนี้เขาได้รับความสําเร็จแน่นอนสีเรื่องมีอะไรบ้างที่ชาคนนี้เล่กากับไซนาอุมัดนะหนึ่งว่าไม่ยุดอินละใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์หมายความว่าไงปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรทําให้หมดนี่รอมฎอนวันนี้วันแรกใช่ไหม อัลลอฮ์สั่งใช่ไหมอ้าวเราก็ทําตามอัลลอฮ์วะรอซู ล, ละหูและปฏิบัติตามเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าสุนนะนบีที่ท่านนาบีศอนเนี่ยเอาไปใช้ให้หมดอ่าอย่างวันนี้คนที่ถือศีนอดจะต้องทานอาหารโซฮตตอนตีหนึ่งหรือตอนตีสี่ตอนตีสี่ตามสุนนะนบีนี่แหละสุนนะนบีตอนตีหนึ่งได้ไหมได้ แต่สุนนนาบีไม่ใช่ไม่มีบรารักัดจะนั้นทานทานอาหารซะฮุตตามสุนนนาบีตอนตีสี่พออิมเสร็จแล้วก็อ่านกลัวอ่านสักห้าสิบอายะเข้าวเวลานมาดสุดวะนี่สุนนนาบีอธิบายต่อไปอีกวายักษชัลอเขากลัวอัลลอฮ์อธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วให้กลัวอัลลอฮ์ให้หมดเอา ถ้าหากว่าทำความดีตั้งแต่เป็นหนุ่มๆทำความดีมาอายุวันนี้หสบยกตัวอย่างระวังที่ทำความดีนั่นต้องกลัวว่าอัลลอจะไม่รับความดีที่ทำแต่าหากว่าทำผิดต้องตาวาตั ว, ตวอัลลอฮฺเพราะกลัวอัลลอมันคุมหมดเลยนะแล้วต่อมาวายัตตัติแล้วก็มีการตักวาต่ออัลลอตักวาแปลว่าอะไรนะสำรวมตนระมัดระวังตนเองไม่ทาความชั่ว หลังจากนี้ต่อไปชีวิตที่เหลืออยู่จนกว่าจะตายระวังตัวเองให้ดีประคองตัวเองให้ดีอย่าทําบาปอย่าทําชั่วอย่าทําดินาอย่าโกหกอย่าทําความดดรอนเพราะว่าคํานี้พระฉันเข้าใจคุรานแบบนี้เขาเลยรับอัลอิสลามต่อห น, น้าไซดีนาอุมัตระเดียลอฮูอันหุเห็นอย่างครับคนรับอิสลามในสมัยนบีแตสมัยชาวบ้านนบีนั่นเพราะเขาอ่านคุรานจัง ฉะนั้นขอบคุณอัลลอ์นะที่เรามานั่งอ่านกุรุอานแล้วก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเกี่ยวข้องกับซอฮาบานาบีว่าเขารับอิสลาม เ, เพราะอะไรนะครับเพราะเขาสนใจกุรุอานอ่านกุรุอานอายาเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เนี่ยคิดดูอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณคอัลลอ์นะอาอต่อมาครับอายาที่สาม ต anzilamiman khalaqal arba wa samawatil haula ต anzilamiman khalaqal arba wa samawatil haula คุรานั้นถูกประทานลงมาจากใคร khalaqal arba จาก ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าวัด ส, สมาวัตแล้วก็สร้างแผ่นดินอันเหลาละอันสูงทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างแผ่นดินสร้างฟ้าอันสูงทรงอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างฉะนั้นกุรอานเป็นข้อเตือนใจกุรอานไม่ใช่เป็นข้อทําให้คนต้องลําบากอา้าวนบีตับซิด อุล玛ตัมซีต่อนะฉะนั้นคนที่เอากุนอ่านเป็นทางนำสำหรับชีวิตเนี่ยเขาได้อะไรเอาดูฮะดีสนะอันมูอาวิยะรดยัลลอฮุอันุกาลกาลสูลุลลอฮ์สุลลานอิวะสลัมไม่ยูดิดิลลหูบคยรันอยู่ฟักีหูฟิดีนเป็นฮะดีสของฮะดีสที่สุฮิท่านอิมามอิบนะกะซีได้นำมามาอธิบายอายนี้อายาที่บอกว่า กุรอานเป็นทางนําสําหรับชีวิตกุรอานนั้นไม่แต่ทาให้คนต้องลําบากกุรอานพูดถึงเรื่องโลกอาคีร์ร้อให้คิดถึงชีวิตหลังตายชีวิตในโลกอาคีร์ร้อการตอบแทนในโลกอาคีร์ร้อนมีจริงฉะนั้นนบีอธิบายว่าผู้ใดที่อลัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาเป็นคนดีใครร้อนแปล ว, ว่าเป็นคนดีถ้าอาลัลลอฮ์ประสงค์จะให้ใครเป็นคนดีเนี่ยรู้ไหมอลัลลอฮ์ทำไงครับ ยู่ักติฮุฟิดดินจะทําให้เขานั้นเข้าใจศาสนาอัลฮอมดุลิละเห็นอย่างครับฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้คนหนึ่งคนใดเป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นเข้าใจศาสนาคําว่าเข้าใจก็รู้ต่างกันนะบางคนรู้ศาสนาเยอะไม่ได้ปฏิบัติรู้รู้รู้แลรู้แลพวกเอ็มร้อยรู้แลรู้แลรู้แล้ว oy, รู้แล้ว แต่รู้รู้กับเข้าใจเข้าใจศาสนาอธิบายคุรานได้อธิบา ย, า อ, บายอาซสุนนะนบีมาวิเคราะห์ได้อายกย ก, ยกตัวอย่างสังเกต น, นะนบีมูฮัมมัดเป็นอย่างนี้นะนบีมูฮัมหมัดเวลาจะเดินเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านในในอะไรนะในในในบ้านของท่านอะเช่นในมักกะในม ด, ดินาเนี่ยรู้ไหมนบีขี่อะไร นบีขีลาเวลาจะเดินเยี่ยมประชาชนตามหมู่บ้านเนี่ยนบีจะขีลาเป็นข้อคิดอะไรนึกเอาเองเวลานบีจะเดินทางไกลนบีจะขีอูดเดินทางไกล อ, อยาม ก, กะมะกามาดีนามาดีนามามกกะกาเรียบออกออกไปไหนไกลๆเนี่ยนบีจะใช่อูด เวลานาบีต้องการจะทำสงครามนาบีขี่อะไรขีม่ม้าแต่ก็คิดอะไรขี่ลาขี่อูดขี่มา้าเวลานาบีจะขึ้นไปรับนามาที่อะไรที่อัลลอฮฺผู้ชันฟาชันที่เจ็นบีขี่อะไรม่ได้ขี่อูดไมด่ไจะขีม่ม้าจต่ขี่บุรอกข้อคิดอะไร แต่ทั้งสิ่งที่น บ, บีทามันมีความประเสริฐทั้งหมดเราคิดไม่ออกเท่านั้นเองอาพูดไมนะ่นะน บ, บีจะเยี่ยมพี่น้องของท่านตามหมู่บ้านเนี่ยน บ, บีจะขี่อะไรนะขี่ลาลากว่าตัวเล็กคนใหญ่ๆเนะคนพอจะขี่ลาเนี่ยท้าวกว่าถึงพื้นอยู่แล้วมีซา บ, บาว่าฉันขอขี่อีกคนได้ไหมนั่งข้างหลังนบีบ้างนั่งข้างหน้า น, นบีบ้างมาได้มาเลยมาเลยมาเล ย, เลยฉะนั้น นบีอยู่กับคนธรรมดาสิมพล่าชีวิตธรรมดาใช่ไหมขี่ขีลข่ลาขี่ลาข้อคา ย, ยิ้มกันคุยกันสลาไมาแล้วก็ทักทายกันไปใช่ไหมแล้วจะเดินทางไกลนบีขี่อะไรขี่อูดเพราะอูเนี่สบัิอดทนสูงมากเลยสิว่าวันไม่กินน้ำอยู่ได้แต่เล่าอยู่ไม่ได้แต่อูดไปอยู่ได้ถ้าจะไปทำสงครามนาบีขี่มา้มาม้าอย่างดีวิ่งไวที่สุด ใครจะขึ้นแม้รอดไปเข้าฟาร์วัลล์ขี่อะไรขี่บูรอกเห็นยังแค่นั้นพี่น้องเราเนี่ยดูถูซุนนะนาบีคนที่พูดซุนนะนาบีแบบว่าเอา้าเอ็งพูดถูซุนนะนาบีทําไมเวลาทำฮะยีเลยไม่ขี่อูดไปล่ะเอาอูดไปเลยนั่งคือบินทำไมอ่ะเขบอกว่าเอ็งเอาทะเลทรายมาเดี๋ยวเรจะขี่อูดให้ดูนี่เป็นคำแก้นะเป็นคําแก้เี่น้องยาเป็นใช่นะ เล่า ก, กันเปล่ า, านั้นที่เล่าให้ฟังกันนั้นเองฉะนั้นท่านนาบีทํางานทุกอย่างมีให้มากหมดเลยขอให้เราคิดให้เป็นฉะน้าเอาเนี่ยเอาซุน่านาบีเนี่ยมากับกับชีวิตของเราเป็นทางน้าสําหรับชีวิตของเราอีกข้อดีหนึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพี่ท่านพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ท่านนาบีสอนอย่างนี้นะคนที่เอาคุรานไปเป็นทางน้าสําหรับชีวิตและเอาซุน่า น, านาบีไปใช้เนี่ยเป็นอย่างงี้ ท่านอิบนอิมามอินอัษฎอธิบายอย่างนี้ว่าท่านนาบีกล่าวว่าอย่างนี้ย่กูลุลลอฮุตาลลิลอุลามะยาวมันติยามะในวันติยามะอิดะก้าดะอาลากุศลียิลิกาะบออิบะดีฮีเมื่อตอนที่อัลลอฮ์นั่งบัลลังจะตัดสินเบาของพระองค์ในวันติยามะอัลลอ์จะพูดกับใครรู้ไหมพูดกับอุลลามะ อุล玛แปลว่าอะไรผู้รู้เนี่ยพวกเธอในอนาคตจะเป็นผู้รู้กันหมดอินชาอัลลอฮอัลลอฮตัดกับผู้รู้ที่ทุ่งมักชัดตอนที่อัลลอฮนั่งบัลลังของอัลลอฮเพื่อตัดสินคดีนั้นอัลลอฮฺพูดกับผู้รู้ว่าอย่างนี้อินนีลมอจญัลไอลมีวะฮิกมาตีฟิกุมฉันนี่นะไม่ได้ให้ความรู้ของฉัน ฉันไม่ได้ประทานความรู้ของฉันแล้วก็ให้คือมวิทยาปัญญาของฉันที่อยู่ในอกของพวกอุลมามะทั้งหมดนั้นฉันไม่ต้องการอะไรเลยวันนี้อุลมามะเนี่ยอุ้มความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ใช่เลยไม่ใช่อุ้มกุรอานอยู่ในหัวใจใช่ไม่ใช่อุ้มสุนนะนบีใช่รือไม่ใช่แคนั้นคนที่อุ้มกุรอานอยู่ในหัวใจอุ้มสุนนะนบีอยู่ในหัวใจอัลลอฮ์จะ พูดกับคนเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาที่ทุ่งมาซัตเอาอประกาศบอกว่ารู้ไหมอุลามาทั้งหลายที่นั่งอยู่บนโลกนี้จะเป็นกี่ล้านคนก็ตามความรู้ที่อยู่ในหัวอกของคุณมันก็หนักของคุณดูแล้วคุณเอาซุนานะนบีไปใช้ในชีวิตของคุณเนี่ยนะฉันไม่ต้องการอะไรเลยรู้ไม่ต้องการอะไรวาอาณาอูรีดูอันอัคซีรละกุมฉันต้องการจะอภัยโทษให้กับผู้คุณทุกคน ทมดูลิลานี่เป็นหัลลิทีท่านนบีสอนแล้วอ่านแล้วสบายใจฉะนั้นคนที่มีความรู้นะครับสนใจอัลกุรอานสนใจสุนนะนบีอัลลอพูดตัดในวันติยามะบอกว่าอุลามาเอย๋ยความรู้ที่อยู่ในหัวใจของคุณสุนนะนบีที่พวกอุลุ่มเอาไว้วันนี้แล้วก็พาเอาไปสอนคนทั่วโลกนั้นฉันไม่ได้ประสงค์อะไรจากคุณเลยนอกจากฉันจะอภัยโทษ ในความผิดของคุณคุณจะทำอะไรมาก็ตามฉันไม่แคร์ใครเลยเห็นยังขะนั้นคนที่สนใจศาสนายิ่งอายุเยอะๆอย่างเราเนี่นะเจ็สบแล้วเนี่ยตะวันยุมหาอลัลลอฮ์เถอหันหน้ามาหากุรอานเธอะหันหน้ามาหาอสัสซุนนานบีเธอะแล้วก็อุ้มความรู้ตรงนี้ไว้ที่หัวใจแล้วเอาไปบอกกันสอนกันเตือนกันทำดุละอัลลอฮ์จะอะไรนะ อภัยโทษในความผิดต่างๆไม่ว่าเขาจะผิดอะไรก็ตามอโลอภัยโทษให้ฉันวัลาอูบารีฉันไม่แคร์ใครเลยเป็นยังนี่ไงคุณอ่านอาย่านี้มีประโยชน์มากสาหรับพวกเรานะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรเนี่ยยาที่ห้าอัลรัฮ์มานุอัลลอฮรชิตาวะอัลรัฮ์มานุอัลลอฮรชิตาวะ สิทธิ์ของอัลลอ์เนี่ยชื่อว่านะอัลลอฮมานอ่าเป็นชื่ออนะัลลอ์นั่นคืออัสมาอุลฮุสนาอัสมาฮุสนามีทั้งหมดกี่พระนามนะ 9.9 พระนาพนามสิทัต์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่มี20สอย่างที่เราเรียนมาในยีสหรัอดำลูไลยังขึงขาดอีก8สปสบไปเรียนต่ออีกนะอัลลอฮมานเนี่ยเป็นสิทธิ์ใอ Allah ัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณียิง่ง ฉะนั้นครูทั้งหมดนี่นะบรรดาครูทั้งหมดครูที่คุมนักเรียนดูแลนักเรียนต้องเอาศิรัต ร, รักมารไปใช่ศิรัตรอะไรรามารามานหมายถึงหัวใจที่เมตตาสงสารกรุณาปราณีคนท่านครูต้องนิ่มอย่างเดียวและอบรมคุณพูดจาดีถึงขาวแข็งตัแข็งบ้างเล็กๆลน้อยน้อยไม่ใช่แข็งทั้งหมดใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องอะไรนะ เอาสิทธิ์ปะชาอัรลอฮฺมานเมตตาสงสารฉะนั้นดูนักเรียนเหมือนดูลูกนั่นแหละอัลลอฮฺเหมือนดูลูกเลยเหมือนดูลูกฉะนั้นต้องเมตตาสงสารแล้วมันขอดุอาให้กับนักเรียนด้วยเราขอดุทิศให้ลูกใช่ไหมก็ขออุทิศให้กับนักเรียนด้วยคือลูกเราหมดเลยนั่งอยู่ตรงนี้ทีนี้อัลลอฮฺอยู่ที่ไหนบางคนยังทะเลาะกันอยู่แล้วอัลลอฮฺอยู่ไหน บางคนว่าอัลลอ์ is everywhere อัลลอ์อยู่ทุกคนทุกแห่งถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกนี่ัลักฐานอยู่ตรงนี้อายาที่ห <Allah S 1> <Allah S 2> ้าอัลลอ์อลลอชิสตะวอัลล์ผู้ทรงปรานีอยู่บนบัลลังอันมั่นคงอัลลอ์อยู่ที่บัลลังอัลลอ์บัลลังอยู่ที่ไหนอ่ะฟิสซามะอยู่บนชั้นฟ้าเลยชั้นที่เจ็ดไปอีก พวกเราเข้าถึงไหมไม่ถึงเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะขึ้นบัลลังก์อัลลอฮ์ได้ที่จะไปถึงบัลลังก์อัลลอฮ์นี่แม้แต่คนที่ขึ้นอามสตองที่ไปเหยียบดวงจันเนี่ยชั้นฟ้าที่เท่าไรชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งยังไม่ผ่านชั้นที่หนึ่งเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั่นทองฟ้าเนี่ยดุลยาอะไรนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหมดเป็นเป็นซีนะ เป็นเครื่องประดับของโลกดุนยาเท่านั้นเองยังไม่ถึงชั้นไหนชั้นหนึ่งหนึ่งยังไม่ถึงเลยท่า น, นอยาไปตะกะบุษเยอะแล้เลยว่างานนั้นมาก็ได้อ่าไม่ว่าท่านจะหันหน้าไปทางไหนมีคนถามว่าไม่ว่าท่านจะหันหน้าไปทางไหนเจออลออล้อมหมดอลล้อมคุมหมดอลล้อมรู้หมดฉะนั้น อย่าไปตีความว่าอัลลอ์อยู่ everywhere นี่ไม่ใช่นะนี่เป็นทัศนะของผู้รู้บางคนแต่กุรอานอธิบายชัดอัลรอห์มานอัลลัลอัร์ชิสตาวาอัลลอ์มีสิฟธิว่าอัลรอห์มานอยู่ที่ไหนครับอยู่บนบันลังของอัลลอ์สุบฮานาหูวาตาลาฉะนั้นคนที่นมาดเนี่ยเช่นไปที่โรงแรมโรงแรมบางแห่งเนี่ยของมัมุสลิมเขาไม่เาไม่ใส่กิมลาดเอาไว้แล้วก็ ถามร่มบ่อยๆก็ผมไม่ทราบครับไอ้ต้นโนอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะก็ต้องตะคัรอต้องต้องแสวงหาเอาเองเพะนั้นน้ำมันานหน้าไปทางไหนเจออัลลอฮ์หมดความหมายอยู่ตรงนี้แต่ว่าจริงๆอัลลอฮ์นะ่ยอยู่ที่ไหนฟิศมาอัลลอฮ์อยู่บนชานฟ้าและอยู่บนหลังของอัลลอฮ์มีคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์สอนผิดถามเรื่องอะไร อ, ะอ่ะอ้าวอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าก็มีที่ที่ก็กัรอ่านก็สั่ว่ามีที่นี่อนะ่ะ Al al Allah อับบลอ Allah, ลอฮ์สสมานุอัลลอัชชิตาวะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์อยู่ที่ไหนฟิสมาอยู่บนชั้นฟ้าจะอยู่ยังไงวลละวลอขอลเราไม่รู้อัลลอฮ์บัลลัลงก์อัลลอฮ์มีสีขาหรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงไห น, นไม่รู้กายฟิยาไม่รู้เป็นยังไงแต่เชื่อว่านี่เป็นอดีตอภีดาของชาวสนันนาตนะรุ่นก่อนๆเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์จบแค่นั้นเอง นะไม่มีปัญหาเอาต่อมาครับอายาที่หกละหูมาฟิสมาวาติวามาฟิลอับวมะเบนหูมาวมะตัสทัรอละหูแปลว่าเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใครกล้าคุยอย่างเราอย่างอัลลอฮ์ได้ไม่มีครับละหูอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์นะมาฟิสมา ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเอาล้อเป็นเจ้าของที่อยู่ในชั้นฟ้ามีอะไรบ้างอ่ะแผ่นดินเมฆเป็นของอัลลอ์ดวงดาวเป็นของอัลลอ์ดวงอาทิตย์เป็นของอัลลอ์ดวงจันทร์เป็นของอัลลอ์และมาลาอิกะสิ่งที่มีชีวิตเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดยังไม่พออัลลอ์เล่าอีกว่ามาฟิลอาร์ดและสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะ มีภูเขามีทองมีน้ำมันมีคนเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยมีน้ำจำๆอยู่ใต้ใต้ใต้ตแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดวะมะไบนาหูมาและที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินก็เป็นของอัลลอฮ์และมีอีกคำหนึ่งวะมาตาตัสรอและที่อยู่ใต้พื้นดิน เ้าวัดว่าเป็นน้ำเป็นน้เปียกๆก็เป็นของอัลลอ์อธิบายยังไงครับตัดตัสรนี่นะมนุษย์ไม่รู้ใต้แผ่นดินอันนี้ใต้ดินเปียกนี้นะจะเจอไอ้นั่นเจอหินเป็นหินหมดเลยหินหหินหินห น, ห น, หนดานหมดเลยนะแข็งเป๊กเลยรูเ้เปล่าตั้งแต่แผ่นดินนี่นะีน่ตัด ต, ตับซีดนะท่านเ้มศารุ่นดูนะอธิบายดีนะ ตั้งแต่หน้าดินลึกลงไปประมาณไหไมล์ประมาณม 6, 6หกเมตหมไหไมล์หกไมล์หไมล์เท่าไหร่กี่กิโลอะประมาณ6ไมล์นะลึกลงไปไหกไมล์เนี่ยมนุษย์สามารถรู้ได้เอาเครื่องมือวิทยาศาสต ร, ร์รุ่นใหม่ส่งลงไปอเมริการู้ยิวรู้มุสลิมก็รู้ลึกประมาณประมาณหไมล์เนรู้หมดเลยว่า น้ำมันอยู่ตรงไหนทองอยู่ตรงไหนซับเรียวได้หมดแหละใต้หกไม้ไปแล้วอัลลอฮฺเปลีป่กว่าฉันไม่ให้ใครรู้ฉันรู้คนเดียวว่ามาตาตัสรอมนุษย์เนี่รู้ได้ฉันฟ้ากับใจแค่นี้แหละใช่ไหมและใต้ดินก็ประมาณหกไม้เนี่ยรู้ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาพิสูจน์ได้แต่ตำจากหกไม้ไปแล้วไม่มีใครรู้อลัลลอฮฺเก็บเรื่องลับไว้เพียงคนเดียว อดรอกว่าแล้วข้งบนกระรูดแต่แค่นี้แหละ <ś> ทีหนึ่งยังไม่ถึงเ <ś> นี่ยดวงจงดวงจันทร์อยู่ชั้นฟาชั้นที่หนึ่งฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยผ่านหมดแล้วทีหนึ่งก็ผ่านแล้วทีสองผ่านแล้วทีสามทั้งทีเจ็ดไปเข้าเฝ้ากลอนรอโดยอะไรบุรอเวลาเยี่ยมประชาชนใช่อะไรใช้ลาเดินทางไกลใช้อูด ออกสงครามใช้มาข้าวเปลาอัลลอฮ์ o, ใช้บูรอกใช้จัดถ้าอัลลอฮ์ไม่ชี้นนะําไว้น่ะเราไม่รู้ขอบคุณอัลลอฮ์สุดาตลาฉะนั้นแผ่นดินใบนี้เป็นของอัลลอฮ์ใต้แผ่นดินใบนี้อัลลอฮ์ให้มนุษย์รู้เป็นบางคนบางกลุ่มนะโดยใช้เครื่องมือไม่เกินหกไมลหลังจากหกไมลไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ใครรู้แล้วว่ามีอะไรวันละหัวละไม่มีใครรู้นะครับขอบคุณอัลลอฮ์อานแล้วอิมานต้องเพิ่มนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อน ใช่เลยใช้เครื่องมือไม่ได้เพราะมันแข็งหมดเลยเป็นดินดานหมดเลยแข็งโจะเท่าไรก็เนี่ยอลตราเขาเ ข, าเขารวมตัวกันนักวิทยาศาสตร์เขารวมตัวกันแล้วไปศึกษาแล้วไม่สําเร็จเจาะเท่าไรก็ไม่ไม่ผ่าน <c oughs> ฉะนั้นคุณอ่านตรศินว่ามาตะหัตสรอัลลอฮฺให้มนมุษย์รู้แค่แค่สโรนะแค่ดินเปียกหลังจากนี้เล่าจะดินเปียกเป็นดินดานมนมุษย์ไม่รู้แล้วอัลลอฮฺไม่ให้รู้ลึกเท่าไหร่แค่หกไมล์เท่านั้นเอง